นั้นคำว่าอบายภพก็เอาที่วิบากกับกรรมชรูปมนุษย์ก็เหมือนกันเอาที่วิบากกรรมชะรูปเทวดาก็เอาที่วิบากกรรมชะรูปเพราะวิบากกรรมชรูปเป็นตัวกําหนดภพวิบากกรรมชรูปแบบนี้เรียกว่ากรมภพวิบากกรรมชะรูปแบบนี้เรียกว่ารูปภพวิบากกรรมชรูปแบบนี้เรียกว่ารูปภพเพราะฉะนั้นการพิจารณาอย่างนี้นะภพสามอย่างไรเสียมันต้องสาวไปหาอะไรหาสมุไทยอีกอยู่ดี เพราะสมูทัยของกางมาพอย่างหนึ ah ่งสมูทัยของรูปประพบอย่างหนึ่งสมูทัยของอรูปประพบก็อีกอย่างหนึ่งกามะตัญหาเป็นสมูทัยแห่งกามาพบเนี่ยนะภาวะตัญหากับวิภวะตัญหาเนี่ยนะอวิภวะตัญหาบางอย่างเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดอรูปประพบได้นี เขาพวกนี้เขาคิดว่าในะจะไปศูนย์ที่อรูปประพบเขาจะรีบเจริญกรรมฐานให้ไปศูนย์ที่อรูปประพบพวกนั้นก็เป็นกลุ่มความต้องการรูปประพบนี้เป็นเป็นกลุ่มภวะตันหาถ้าเข้าใจว่าไปศูนย์ที่นั่นเป็นวิภวะตันหาก็ปพุทุชนเนี่ยสามารถสลับกันได้มีมิจฉาทิฏฐิเดี๋ยวก็อุดเฉดบ้างเดี๋ยวก็ สัตตะบ้างเพราะปุตุชนนี่เอาแน่ไม่ค่อยได้ก็วันหนึ่งคิดตั้งหลายครั้งใช่ไหมเรื่องเดียวนี่เอาหรือไม่เอาดีบางเดี๋ยก็เอาแล้อีกพักก็ไม่เอาละเนี่ยนมันก็อย่างนี้แหละปุตุชนนี่ความคิดที่เรียกว่าตัวความเห็นของเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยอคาว่าภาวะโยคะเนี่ยครับนี่ภาวะตัณหาเนี่ยเหมือนกันนี่ยแหละฮะ ภาวะโยคะโดยทั่วไปบางทีก็เน้นไปที่ hey, ความยินดีในรูปประพบอรูปประพบเนี่ยนะแล้วนี้หนึ่างคำพวกภาวะตันหาเนี่ยนะหมายถึงว่าถ้าพูดเป็นง่ายๆเข้าใจง่ายคือว่าต้องการเกิดอีกมกั้งัน่นเถอะนะตอนนี้ภาวะเนี่ยนะะถ้าเราบอกภาวะตันหาเนี่ยเป็นเป็นความติดข้องในภพถ้าบอกว่าติดความติดข้องในภพเนี่ยติดข้องในกามาภพ ติดข้องในรูปประพบอ ร, รูปประพเนี่ยกลายกลายเป็นว่าเป็นสถานที่ไปใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าพบหมายถึงว่าปฏิสนที่จิตและกรรมมัชรูปเนี่ยก็หมายถึงขันไปตัวอาวิชากับภาวะตันหาอันนี้สับหนึ่ย อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกามตันหาภวะตันหาเวภาวะตันหาอันนี้คนละชุดกันนนะแล้วก็ยังเกี่ยวกับเรื่องภวะภาวะนำหน้าอี ก, กตั้งหลายเรื่องอวิชชาคือเน้นที่ไม่รู้อริยสัจภวะตันหาคือปรารถนาพบ น, นะปราทานาเกิดอีกมันจะเกิดเป็นอะไรก็ช่างเต่เรียกว่าภาวะตันหาหมดอันนี้กลุ่มนี้ส่วนกลุ่มมีกกลุ่มหนึ่งคือกามะตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหาตันหาตัวนี้คือยินดีในวัตถุกรรมเมความยินดีในวัตถุกราม5ประการยินดีในรูปเสียงกปลี่ยนรสโพธาพะเรียกว่ากามะตันหา ส่วนภาวะตันหาก็คือความยินดีในรูปประพบอรูปประพบเนี่ยนะตันหาในรูปประพบและอรูปประพบเรียกว่าภวะตันหาหรือตันหาที่เกิดร่วมกับ ส, สัตตทิฐิเนี่ยนะอันนี้เป็นภวะตันหาซึ่งแบ่งออกเป็นสองอย่าง ความความยินดีปรารถนาพอใจในรูปอรูปเรียกว่าภวะตันหาหรือตันหาที่เกิดร่วมกับ ส, สตทิทิฐิเรียกว่าภวะตันหาส่วนวิภวะตันหาก็คือตันหาที่เกิดร่วมกับอุเฉททิฐิเกิ่มกับความขาดศูนย์เนี่ยคือเาเรียกว่าคิดว่าตายแล้วศูนย์น่ะพวกความคิดอย่างนี้เป็นวิภาวะตันหา พันธุ์ตันหาชุดนี้ก็จะอีกชุดหนึ่งอันนี้ชุดนี้ชุดในอริยสัพก็อีกนี้อีกชุดหนึ่งก็กคนละกลุ่มกันภาวะตันหาของแต่ละที่เนี่ยจะความหมายไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เท่ากันแล้วก็ยังมีกลุ่มเนี่ยกลุ่มเนี่ยกลุ่มภาวะตันหาพวกนี้จะเป็นภาวะโยคะ แต่ถ้าเป็นภวะราคานุสัยก็อีกอย่างหนึ่งนะภวะราคานุสัยก็อีกอย่างหนึ่งไปอีกขอบเขตมันจะต่างกันเพราะฉะนั้นพวกนี้ยังไม่มีผู้รวบรวมว่าเกี่ยวกับภวะนําหน้าและมันขอบเขตแค่ไหนเนี่ยนะก็ยังไม่พบว่าผู้ใดรวบรวมตัวภาวะตันหาตัวนี้เนี่ยโดย ท, ทั่วไปคือตันหาที่ยินติดข้องในรูปฌานกับ อรูปฌานรูปประพบอรูปประพบเรียกภวะตันหาในที่หนึ่งในที่สองคือตันหาที่เกิดร่วมกับสัสตตทิฐิวิภาวะตันหาคือพวกตายแล้วศูนย์คิดว่าตายแล้วศูนทีนี้พวกคิดว่าตายแล้วศูนย์เนี่ยมันแบ่งออกเป็นหนึ่งบางพวกถือว่าเป็นมนุษย์เนี่ยศูนหมายความว่าตายแล้วศูนย์ นี่พวกที่หนึ่งพวกที่สองไปศูนย์ที่เทวดาพวกที่สามไปศูนย์ที่รูปปภรมพวกที่กลุ่มต่อไปอีกก็ไปศูนย์ที่อรูปปภรมอรูปปภรมบอกว่าศูนย์ระดับอากาศาบางพวกบอกว่าศูนย์ระดับต้องวิญญาสิจงึงจะศูนย์บางพวกต้องอากินจัญญายตนะจงึงจะศูนย์บางพวกไปศูนย์ที่เนวะสัญญาเพราะฉะนั้นกลุ่มอุเฉททิฏฐิเนี่ยนะหรือพวกวิภวะตันหาเนี่ยมีหลาย หลายระดับตามแต่ภูมิคุณธรรมอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ทั่วๆไปนะเราเรากำลังเรียนในมนุษย์ภูมิเนะัญหาของพวกมนุษย์ทั้งหลายนะนะ่แหละแต่ว่าอันนี้นี้ถ้าเราพูดหมายหมายถึงที่เราเรียนนะว่ามนุษย์คิดอย่างนี้แต่ถ้าเป็นมนุษย์คิดอย่างนี้แล้วเป็นพรหมจะไม่คิดด้วยหรือซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนบ้างเป็นบางอย่าง แต่ว่าเดิมๆแล้วก็มาจากเนี่ยพวกมนุษย์มนุษย์ในแหลมคิดขึ้นนะนีแหล่งทิฐิโดยมากนะเกิดที่มนุษย์เนี่ยนะแหล่งมิจฉาทิฏฐิสารพัดเลยนะเกิดที่มนุษย์ภูมิเป็นส่วนใหญ่ก็ว่าตัณหาอนนี้อันนี้ดูก็มีเหมือนก็ดูคล้ายกันนะเช่นอันนั้นปรารถนาในภพใช่ไหมอันนี้ก็ปรารถนาในรูปภพป ร, รูปภพเหมือนกันเลย คือไอไอภพตัวนี้เนี่ยหมายถึงว่าปรารถนาภพสามอันนี้ก็ตรงกันตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าคือภวะตันหาในในกา마ตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาเนี่ยแคบกว่าภวะตันหาที่มาคู่กับอวิชากับภวะตันหาคือคือฝั่งนี้กว้างภาวะตันหาในกลุ่มกับภวะตันหาเนี่กว้างกลุ่มกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาเนี่ยแคบ เพราะฉกลุ่มภาวะตันหาทั้งหมดเนี่ยนะภวะตันหาที่คู่กับวิชาเนี่ยอมตันหาไว้ทุกอย่าง <c oughs> นะนะอมตันหาพวกนี้ไว้หมดเลยตัวนี้มันเป็นสมุทัยใช่ไหมฮะตัวสมุทัยจริงๆอ่ะในทางธรรมะ ก, ก็ถือว่าสมุทัยทั้งหมดทั้งฝัง่งฝั่งทั้งสองข้างก็เป็นสมุทมัย ท, ทั้งคู่เลยสมุทัยศาตร์ทั้งๆๆ <c oughs> ท, ทั้งหมดพวกนี้สมุทัยศาสตร์หมดถ้านําเกิด เพราะท่านเน้นสมุทัยศสตร์ที่เป็นเหตุให้เกิดใช่ไหมอย่างยกตัวอย่างว่าทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเกิดจากทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเกิดจากสมุทัยใช่ไหมสมุทัยนั่นคือตันหาทีนี้ถามว่าตันหาที่ยังไม่นาเกิดเลยจะเรียกว่าสมุทัยไห ม, ไม เ, เพราะมันยังถ้าสมุทัยนิยามของเขาคืออายุหนะโถคือ ประมวลมาซึ่งภพสามเป็นนิทานของภพสามเป็นปริพอดกังวลติดข้องเอาไว้เนี่ยนะทีนี้อย่างเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยนะมีสมุทัยศาสตร์ไหมต้องมีนีมันเกิดเป็นเจ้าชายที่เจ็ตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วมีไหมไม่ต้องารไม่มีเพราะฉะนั้นตันหาของท่านในฐานะเป็นทุกขสัตว์ไม่ยังไม่เป็นสมุทัยศาสตร์ เธออย่างที่เราเปรียบเทียบอุปมาว่าต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยนะมันมีมเมล็ดเนี่ยอยู่เต็มต้นซึ่งเป็นยังอ่อนๆ น, นะนะถามว่าต้นไม้ต้นนี้มันเกิดจากอะไระ เ, เกิดจากมเมล็ดใช่ไหมแล้วไอ้มเมล็ดที่ยังลูกดิบๆอยู่นี่เราเรียกว่ามเมล็ดใช่ไหมปลูกขึ้นไหมเอาแล้วทําไมจึงเรียกมเมล็ด ถ้าทำลายถ้าทำลายก็ปลูกไม่ขึ้นใช่ไหมเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราจะใช้ตอนไหนจึงเรียกว่าเมล็ดพันธุ์ตอนที่มันแก่เพาะขึ้นแล้วใช่ไหมจึงเรียกเมล็ดพันธุ์สมุทยศาสตร์ก็เน้นไปที่กลุ่มเมล็ดพันธุ์ที่ได้ถ้ายังอยู่ในต้นก็คือว่าที่เมล็ดพันธุ์คือพอกล่าวสรุปว่าบรรดาตัณหาทั้งหลายหรือว่าโลภทั้งหลายเนี่ยบางบางบางตัวก็เป็น ทำให้ไปปฏิสนทำให้เกิดขันเหมือนกันเถอะแต่บางตัวก็ไม่ได้ทำให้เกิดขันคือถ้าในแง่ของตันหาโปโนพวิการนันท่ราคาสหคตาเนี่ยนะตันหาทุกตันหาถ้าโดยชื่อก็เรียกว่าโปโนพวิการหมดเหมือนกับอะไรมะเมล็ดพันธุ์ทุกมเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราเมเมล็ดทุกมเมล็ดนะเราก็จะเรียกว่าสิ่งที่เพาะเอาไปเพาะปลูกได้แต่ไม่แน่ใช่ไหมแต่ที่เห็นเห็นเลยอะ ต้นไม้ใดที่มันขึ้นมาที่สมมุติว่าเป็นต้นกลุ่ ม, มเมล็ดเนี่ยก็เกิดจากมเมล็ดแต่ไอมเมล็ดที่อยู่บนลำต้นเนี่ยที่มันยังไม่แก่เนี่ยเราจะเรียกว่ามเมล็ดพันธุ์ก็ยังไม่คือจะแล้วแต่ถ้าต้องการเพราะต่อไปเนี่ยนะไม่ยอมทําอะไรเลยก็เป็นมเมล็ดพันธุ์เพราะมันยังไงก็ต้องปลูกขึ้นอยู่แล้วแต่ถ้าอย่างเจ้าชายศิษฐถาเนี่ยท่านเพิกเพียนใช่ไหมท่านทําลายมเมล็ดพันธุ์ทุกเม็ดเลย ที่มันจะเพาะแล้วงอกเองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตันหาในทวารหกท่านทําลายหมดแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเม็ดในที่จะนําไปปลูกในภพใหม่อีกไม่มีเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาของความเพียรคือถ้ามุ่งกําจัดเมล็ดพันธุ์ก็เพาะไม่ขึ้นถ้าปล่อยปล่าละเลยนันะพันธุ์นี้โอ้เพาะไม่มีสุดไม่มีจบมีสิ้นนะ แต่ตรงที่แปลกที่ว่าเวลาทําลายมเมล็ดพันธุ์นี้นะกับไม่ได้ไปจัดการกับมเมล็ดพันเลยแปลกนะครับคือวิธีการทําลายเนี่ยมันมันเป็นการตัดต้นไม้พันธุ์นี้ใชตัดสายพันธุ์นั่นทําลายตัดฉั้นราคาใชคือพวกยางทั้งหลายที่มันอยู่ในต้นเนี่ยคั่วยังไงให้มันสิ้นยางแล้วมันจะได้เลิกพ่อปลูกขึ้นไปอีกเพราะั้นวิธีการจัดการเนี่ยก็คือมาคั้วยางจนละ ว, วิปลาดให้ได้ ตันหาสิเนหเนี่ยนะสิเนห์ามแปลว่าตัหาแปลว่าเยื่อใหญ่หรือยางเพราะฉะนั้นคั่วยางอย่างเดียวนถ้าเอ า, มาเมล็ดมะม่วงนั้นไปอบซะขั่วยางให้หมดสิ้นเนี่ยนะเพาะขึ้นไหมก็เพาะไม่ขึ้นชัดได้นี่ก็เหมือนกันเพรานั้การปฏิบัติในพุทธศาสนาคือการคั้วยางนนะตัดฉันราคาซะเงี้นนจยจชสินค้าเอง เมล็ดพันเลยใช่ไหมครับยังไม่ได้สําเร็จเราละหันจะทำไมไม่มีเมล็ดพันธครับก็ถ้าเป็นมะม่วงที่อยู่บนต้นเนี่ยต้นมันถ้าเป็นเม็ดยังดิบอยู่ลูกมันยังไม่สุกเนี่ยนะเพิ่งออกเมเล็ดเมเล็ดมาเนี่ยถามว่ามันมีหรือไม่มีเม็ดมีครับปลูกขึ้นไหมล่ะไม่ขึ้น อาาาแ้รริกถนีไมะคือว่าแปลกที่ว่าเวลาเราจะละสมุไทยนะฮะอันเป็นตัวสาเหตุทําให้เกิดขันข้างหน้านี่นะครกลับไม่ได้ไปจัดการกับตัวสมุไทยนะไปจัดการกับตัวทุกข์ศัตร์ที่เป็นการใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยถูกไหมครับคือคือจะเรียกว่าคือจะเรียกว่าไม่จัดการกับสมุไทยมันก็ไม่ใช่ อันนะคือสมมุติเอาง่ายๆแบบตาหูจมูกเลนส์กายใจเนี่ยนะพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากอะไรว่ารวมๆก็อวิชาตันหากรรมแล้วก็ในภพนี้ก็อาศัยอาหารเป็นต้นเนี่ยนะเลี้ยงอยู่นี้ตัวที่สำคัญก็คือตัวตันหา ตัวที่นําไปเกิดนะถ้าอย่างทวารตาเรียกว่ารูปปตัตนหาใช่ไหมทวารหูก็สัตธตันหาทวารจมูกก็เป็นคันทะตันหาทวารลิ้นเรียกว่ารัศตะตันหาทว า, การก า, า, า, า, ายเรียกว่าโพธภพตันหาทวารใจเรียกว่าธรรมะตันหาอะไร ทวารใจเรียกว่าธรรมะตันหานี้ตันหาพวกนี้มันไหลมาจากไหน mm hmm. เขาเไหลมาจากทวารทั้งหลายทวารตาหูจมูกลิ้นกายถ้าทำลายพวกตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นวัตถุของตันหาเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าทำลายตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือจะเรียกว่าทำลายตันหาก็ได้ จะเอาอยัางไงพวกกันตกลงทําลายตันหาหรือทําลายอะไรกันแน่จริงๆแล้ไม่ได้ทําลายทั้งตาด้วยทั้งรูปตันหาด้วยจริงๆแล้วก็ไปทําปริญญาเพื่อที่จะให้เห็นโทษของตาจึงทําให้รูปตันหาหมดไปเนี่ยเลยไม่ได้จัดการกับรูปตันหาเลยแล้วก็มันไปจัดการกับตาเลยคือถ้าสมมติว่าไงทับเจริญปัญญา เจริญสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยหรือนมักมีองค์แปดเนี่ยเห็นตาโดยความเป็นของไม่เที่ยงละอะไรนิ จ, จสัญญาเห็นตาโดยความเป็นทุกข์ละสุขสุขสัญญาละตัณหาละความสำคัญว่าเป็นอัตตาละอัตตาสัญญาถ้าเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาปริมาณธรรมะพอก็จะละนันทิเนี่ยนะ ถ้าถ้าเจริญจนเต็มที่หมดเีกก็คลายกำหนัดไม่ต้องการอีกใช่ไหมละราคาถ้าเจริญไปขึ้นไปอีกปริมาณที่มากพอละสมุทัยถ้าเจริญเพียงพอนี้สละคืนเลยไมเอาละไมยึดแล้วไม่ขอเอาอีกแล้วยนยปล่อยเลยเนีย่ยนะก็ปริมาณที่เจริญพอเพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญพอในอย่าง พระอนาคามีหรือเอาผ้าอรหันเลยนะผ้าอรหันเนี่ยกำจัดตาได้โดยสิ้นเชิงนะทําลายตาได้โดยประการทั้งปวงผ้าอรหันนะพระโสดาบันเนี่ยทำลายตาของสัตว์ในอบายทําลายตาของมนุษย์ในภพที่แปดพระสกทาคามีเนี่ยทำลายตาเหลือภพเดียวที่เป็นมนุษย์นะพระอนาคามีทําลายตาในการมาภพหมดพระอรหันเนี่ยทำลายตาจากภพทั้งปวง ทีนี้อนุภาพของการทำปริญญาเนี่ยอนุภาพของมรตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเพราะเป็นสิ่งที่ทำขึ้นน่ะที่เรียกว่าภาวนาเนี่ยนะทำขึ้นอันนี้เป็นความพิเศษที่เรียกว่าเป็นของพระพุทธเจ้าจริงๆเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะซึ่งต้องเจริญตัวนี้ขึ้นมาเพราะนั่นอันนี้แหละที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่เห็นยากเข้าใจยากนะ เพราะปกตินะเห็นปัญญาพวกนี้จะเห็นยากเห็นยากอะไรเพราะหนึ่งตาเราก็ไม่ได้รังเกียจเดิมแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่ามันเสียหายด้วยนะไม่รังเกียจไนะกลัวที่สุดกลัวมันจะเสียเพราะฉะนั้นวางแผนวิธีซ่อมไว้ตลอดเวลาทาเสร็จแล้วตาก็ยังอยู่อย่างเดิมดีด้วยอนนะคือพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ท่านทำข้าพวกนี้นะจริงๆอ่ะท่านต้องการทำลายตัวนี้มากกว่า ถ้าทำเสร็จตมันมเลิกแล้วขนาดนั้นก็ไม่มีตัวนี้อยู่เดิมด้ว ย, ย ม, ม, มันก็เป็นเรื่องที่ลึกลับมากยนะขนาดที่ทำลายนั้นไม่มีรูปตานายเหลืออยู่ให้ทาลายถ้าเป<ล>็นนางท้ า, าอุปมาเนี่ยนะ ม, มีเอาไงนะไข่ต้มกับไข่ที่เป็นไข่พันเนี่ยนะพันที่จะเอาไปต่อพันเรต่างกันตรงไหน ้กับครมีเชื่ออถ้าว่าถ้าคนไม่ได้นักสังเกตไข่เลยนะเกิดมาเพิ่งเห็นไข่เนี่ยไข่สองฟองอยู่เลไม่ไม่ต่างกันนะต่างกันไหมไม่ต่างไม่รู้อ่ะคือถ้าโดยสีโดยสันฐานโดยชั่วๆไปเนี่ยต่างกันหรือไม่ไม่ต่างไม่ต่างพันผ้าหันกับปุตุชนเนี่ยจะดูถ้าดูแค่สมบัติภายนอกไม่มีความต่างโดยประการทั้งปวงถ้าดูที่อุปาทานขันห้านะ ไม่ต่างกันแต่ก็ต่างถ้าเป็นพราอาหารก็กลุ่มไข่ต้มแล้วอ่ะปุตุชนเนี่ยเป็นไข่ดิบพร้อมที่จะอ่านนะพ่านเนี่ยมันก็เป็ น, น, นก็ไม่ได้ทำลายไก่คือไม่ได้ทำลายไข่ไม่ทำลายไก่ด้วยครยับแต่ว่าไม่ให้ไก่มันเกิดอันนั้อันนี้แหละที่เรียกว่ามันก็เข้าใจถ้าเหตุผลทั่วๆไปก็ ใครอธิบายได้ไดก็เออก็กรุณาหน่อยนะไม่โปรดเธอใบสตัตวนโลกมีอา ย, าตอายาตะตนาไม่เท่ากันพราะเพากรรมไม่เหมือนกันกรรมไม่เหมือนกันนะครับเจพ ร, รสัตว์บานไม่มีตาไม่มีหูมีแต่ครับพวกนั้นปิดตา <c oughs> ปิดหูเวลาฟังธรรม แมงกระพุนเป็นแต่ละศาสตร์กายไม่มีตามไม่มีหูเอาไว้หลักคุยหลังไหมพ <c oughs> งว่างคุณน่าจะไปที่กุตินี่นะคนที่ <c oughs> คุยทั้งวันเลยนะจะได้พอสักทีท่านแพ้ของมาแพ้อยู่แล้วนะ <c oughs> แต่ว่าจะให้คุยทีเดียวแล้วให้ชนะแล้วพอเลยเลยนะนับไปสักวันหนึงมัง้ง นัดวันอังคารเนอะก็ไม่ไปแล้วติดอาหารมากกันคือคือหลักการพวกนี้เนี่ยท่านถือว่าเป็ น, เ ป, นเป็นวิสัยของบัณฑิตจริงๆมันไม่ใช่ว่าเป็นวิชาที่จะไปแนะนำได้กับกับทุกคนเนี่ยนะหนึ่งถ้าคนนั้นอะ่ะไม่ได้เห็นโทษของการขยายพันธุ์เลยะนะวิธีการ ตัดพันเนี่ยคําว่าเขาจะสนใจไหมเขาฟังไม่เข้าใจายอยู่แล้วเพราะเขาไม่ไม่ต้องการเนี่ยนะก็บอกว่าสมุทัยเป็นธรรมที่ควรละแล้วเวลาละจริงๆสมุทัยไม่ได้มีเลยตอนนั้น อ, ะอ่ะท่านคิดอยู่ที่มันก็จริงเลยว่าสมุระสมุทัยอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันเนี่ยนะก็ถ้าถ้าเป็นที่ที่อื่นๆนะมันมีวิธีใช้คําอีกอย่างหนึ่งที่ที่ฟังแล้วก็ น้าคิดอย่างหนึ่งคือท่านตัดนี่นะูท่านจงละอดีตซะอย่าหวังอนาคตแล้วก็ตัดฉันทราคาใปท่ามกลาง ่นแล้วท่านก็จักสงบเที่ยวไปก็เป็นท่ารหัสนะคือเงื่อนไขเขาเป็นอย่างนี้นะโดยหลักการของบอกว่าท่านจงละอดีตนอดีตนี่แบ่งเป็นสองอย่างท่านจงละกรรมทั้งหมดที่มีอยู่ในอดีตดวงที่ ที่หไม่ต้องไปล้มันดวงที่สองถึงดวงที่เจ็ดทั้งหมดเลยนะีคือถ้าดวงที่เจก็คือของชาตินี้ใช่ไหมดวงที่สองถึงดวงที่หท่านจังละกรรมทั้งหมดแล้วหนึ่งในหนึ่งอีกในที่สองบอกท่านตัดเยื่อใยในอดีตซะเถอะตัดเยื่อใยของอารมณ์ตัดเยื่อใออยอ ใ, ในอดีตซะเถอะทีเรียกว่าอะไรนะตัดอาวบตอนเป็นสาวซะเถอะว่าเคยสวย อย่างเงี้ยหรืออะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะเหมือนกับอะไรเหมือนกับคนที่เคยมีสตังและสตังมันหมดไปแล้วอ่ะนะแล้วโหยหาอยู่นั่นแหละบอกตัดเยื่อใยมันซะเถอะนะเข้าไปตัดชันทาราฆาในสิ่งนั้นนะในหนึ่งในที่สองก็บอกว่ากรรมในอดีต ท, ท่านจงจงละมันให้หมดเลยสองแล้วท่านอย่าหวังขันห้าต่อไปหรืออายตนะต่อไป นะแล้วอย่าวิปลาดในขันที่มันเป็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยอย่าสำคัญว่าเที่ยงศุกงามอัตตาอย่าเพลิดเพลินอย่ากาหนัดอย่าสร้างอย่าสละคืนบริจาคให้หมดเลยขันที่มีอยู่ทั้งหมดนะแล้วท่านจักสงบสงบนี่สงบอะไรสงบราคะสงบโทสะแล้วก็สงบ โมหะอย่างเงี้ยเที่ยวไปเพราะนั้นคำเหล่านี้เป็นคําของผู้ที่แทงตลอดอริยศาสตร์แล้วจะเป็นในลักษณะนี้เห็นไหมเพราะนั้นกรรมในอดีตทั้งหมดตันหาในวัตถุในอดีตทั้งหมดท่านไม่มีแล้วก็ทั้งหมดในอนาคตท่านไม่เคยหวังอีกเลยส่วนฉันทราคะในขันทั้งหมดนะท่านละวิปปราชหรืออนุปัสนาเจตของท่านในทุกขันเนี่ยช่อมชองหมดเลยท่านจึงสงบราคะโทสะโมหะเที่ยวไปได้ เพราไอ้พวกความเข้าใจในลักษณะนี้เนี่ยนะโครงสร้างในลักษณะนี้เป็นความเข้าใจเบื้องต้นที่ที่ศึกษาคําสอนเหมือนกันแต่ว่าทุกๆคําที่พูดคือพูดอริยสัจเหมือนเดิมเหมือนกันทั้งหมดนะหวังให้ละอดีตก็คือให้ละฉันทราคะละอนาคตก็บอกว่าจงละฉันทราคะในอนาคตก็ละตัณหาที่ยินดีขันห้าในปัจจุบัน แล้วคิดยังไงจึงจักละได้นี่แหละเพราะันทุกขสัิย์จึงต้องทําปริญญากิจเนี่ยนะถ้าทําปริญญากิจในสมุทในทุกได้จักละสมุทัยอย่างนี้เพราะวิปัสสนาที่เขาเจริญเขาพิจารณาขันทั้งที่เป็นอดีตเห็ไหมตัวกรรมนี่คืออะไรตัวกรรมก็คือสังขารขันตัวตัณหาที่ไปคล้องในอดีตคล้องอะไรก็คล้องในขันที่เป็นอดีตคล้องใน อายตนะที่เป็นอดีตใช่ไหมก็คือตัวที่สรุปว่าติดขันห้าในอดีตนั้นตัดขันห้าในอดีตซะเลิกหวังขันห้าต่อไปขันห้าทั้งหมดที่มีมีอยู่เนี่ยอนุปัสนาเจ็ดให้ให้แม่นยำแล้วก็จะสงบกิเลสได้โดยประการอย่างนี้แหละอยู่กับปัจจุบนันนะครับอะไรปัจจุบนัน เอาแล้วใค ร, ออใครเอาถ้าคุยง่ายๆอย่างเงี้ยนะถ้าคุณถามแบบเนี้ยนะมาตอบไม่ยากเลยคุณอยู่กับอดีตได้ไหมไม่ได้อยู่กับอนาคตได้ไหมไม่ได้และชีวิตตอนนี้เละปัจจุบัน <laughs> อ่าแล้วก็เมื่อกี้คุณว่าไงอยู่กับปัจจุบันครับอ่าแล้วใครอยู่กับอดีตบ้างไง <laughs> แหวแสดงทำให้ผิดหลงปันอนาคตทำเมาอาดีตทำเมาอนาคตทํามาปัจจุบันนั้นทำโมขขอยู่กับปัจจุบันใครอยู่กับอดีตได้นี่มันเก่งอะไรปานั่นนะ <c oughs> พวกนี้โดเรมอน <c oughs> พวกอยู่กับอนาคตได้ก็เดรมอนอีกนั่นแหละมีในโลกการ์ตูนอย่างเดียว คือใ น, ในธรรมะประเภทอริยศาสตร์นั้นะเป็นธรรมะที่เรียกว่าปัญญีย น, นําหน้าจริงๆเป็นประเภทปัญญีย น, นําหน้าจริงๆแต่ก่อนที่ที่จะปัญญีย์นําหน้าขนาดนี้นะศรัทธาสัตินรียวิริยินรียสตินรียสมาธินรียต้องต้องดีอยู่แล้วใช่ไหมโดยเฉพาะศรัทธากับวิริยะนี่แม่นยำมั้งผู้ที่มีศรัทธาที่บริบูรณ์คือผู้ที่มีสุตตะอย่างบริบูรณ์แล้ว เพราะฉัผู้ที่มีสติบริบูรณ์ก็คือแม่นยำในคําสอนมากอะไรเป็นอะไรแล้วไม่ฟุ้งอ่ะปัญญาจึงมาเห็นพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นอย่างที่เราเรียนนะที่ที่กําลังสาระที่เรากําลังเกิดจากการฟังธรรมเป็นต้นตอนนี้ก็คือปัญญาสาระเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็จริงๆก็ตาเกศดาก็หาเจอเลยหาปัญญาอันหนึ่งอ่ะนะแล้วกลับไปหาศีลต่อที่บ้านหาสมถะหาศีลสมาธิปัญญาแลหาอย่างนี้ไปเรื่อยจนกว่าจะ ถ้าเห็นนิพานเมื่อไหร่นั่นแหละแสดงว่าบริบูรณ์เนี่ยสิ่งที่หาได้เนี่ยนะเก็บสะสมบริบูรณ์ละอันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะ